ถรียว่าขยายอารมณ์3ทําความเข้าใจให้มันตรงประเด็นนะตรงนี้นะเดี๋ยวในกรณีที่พวกเราทั้งหลายไปทําความเข้าใจในเรื่องของกรรมมาอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์เนี่ยเออวิธีทําความเข้าใจเนี่ยต้องจับสภาวะขององค์ธรรมให้ถูกถ้าอย่างนั้นจะอธิบายคำคำนี้ไม่ถูก ที่บอกว่าอธิบายไม่ถูกนั้นคือยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมอารมณ์เนี่ยนะหมายถึงอะไรองค์ธรรมเขาอ่ะก็ต้องบอกหมายถึงเจตนากรยี่สิบเก้าเจตนากรยี่สิบเก้าที่เคยเกิดมาแล้วนะถ้าบอกเจตนากรยี่สิบเก้านี่มีอะไรบ้างนะเจตนาที่ในอกุศลละจิบสิบสองใช่ไห มหาลลกุศลจิตแปดเท่าไหรแล้วเนี่ยยี่สิบแล้วใช่ไหมแล้วก็รูปกุศลห้าอารูปกุศลสี่นี่เจตนากรรมยี่สิบเก้าอันนี้นี่แหละเป็นกรรมมารมเป็นกรรมมารมยังไงบอกว่าคือที่เคยเกิดมาแล้วในขณะทํากรรมเมื่อขณะมีชีวิตอยู่<ม>ตรงนี้เป็นอดีตการอย่างเดียวเป็นการอื่นไม่ได้ แต่มนึกถึงเจตนานั้นนั้นได้ในขณะที่มรณาสันนาชาวนาจะเกิดหรือเกิดขึ้นเนี่ยฉะนั้นมรณาสันนะชาวนาอันและอันนั้นนั่นแหละจึงเป็นตัวเปิดอะไรเปิดประตูหรือเปิดหนทางที่จะนำไปสู่ความตายใช่ไหมที่สุดจริงๆก็เพราะจติตรงนั้นเนี่ยปฏิสนธิที่ก็เป็นไปตาม อนุภาพตามอานุภาพของอารมณ์ที่เป็นกรรมะอารมณ์นั่นแหละมาปรากฏถ้าอย่างนี้เข้าใจนะมองตัวไหนมองเจตนากรรมยี่สิบเก้าไอ้เจตนากรรมยี่สบเก้านั้นมีทั้งกุศลและอกุศลเนีมีทั้งกุศลและอกุศลถ้าอย่างนี้มันหมายความว่าบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยและเจตนากรรมที่เป็นพวกรูป พวกอารูปเนี่ยแล้วมันเป็นได้ยังไงใช่ไหมแจ๊ะเป็นกรร ม, มอารมณ์ได้ยังไงเป็นได้ยังไง ร, รู้ไหมการตรึกการคิดไว้ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไอกนะ้ก่อนที่ในขณะที่เป็นกุศลเนะี่ยมองออกใช่ไหมในขณะที่เป็นกุศลที่ไปไปไ ป, ไปตรึกคิดในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยเจตนากรรมนั่นนั่ น, น, นแหละนะเป็นนำปฏิส่วนที่ได้ ส่วนกรร ม, มนิมิตอารมณ์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอารมณ์หกคือรูปอารมณ์สัทธารมณคันธารม์ราษารมโผฏฐาภารมณและธรรมอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นอารมณ์ของเจตนาที่ทํากรรมนั้นแต่เวลาสิ้นชีวิตเจตนาทั้งหเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏในมรณาสันนิชาวนะเป็นเหตุให้ปฏิสธิในภพชาติต่อไปได้ไหม ได้หรือไม่ได้ไดอย่างนี้ได้ได้กี่การได้กี่การอาดีตได้ไหมอดีตได้ปัจจุบันได้ไหมในขณะทําเดี๋ยวนั้นได้ไหมทําเดี๋ยวนั้นแล้วเป็นไปเดี๋ยวนั้นอ่ะได้หรือตนเองประสบเดียเด๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นเป็นิมิตของตนเองเดี๋ยวนั้นได้ไหมได้ไม่ได้นั่งรถรถไปดีๆรถประสบอุบัติเหต อานิมิตในรถนั่นแหละเป็นนิมิตแห่งการตายไปเลยงี่ได้ไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกเป็นกรรมนิมิตเป็นกรรมนิมิตหรือบางคนในขณะที่ทําบุญเลยอะ่ะในขณะทําบุญก็ไอ้นิมิตอันนั้นแหละปรากฏเลยปรากฏชัดในขณะนั้นเลยเป็นปัจจุบันกรรมนิมิตอันนั้นนั่นแหละได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ ถึงบอกว่าทำดีก็วะพอพูดถึงตรงนี้นะพอพูดถึงในเรื่องอะไรนะคำว่ามารมารเนี่ยามมา น, น, เ, นยเรามีมารอยู่กี่มารเนี่ยมีอะไรบ้างอารมดับแรกคือกิเลสมารถามว่ากิเลสมารเนี่ยา ม, ามา เ, ยมเล่นงานเรายัางไง พ, พ, พระพุทธเจ้าว่าอะไรนะ มัดจุทา น, นังไอ้บอกมารเนี่ยบอกว่าไอบอกไอ้บ่วงของมารคําว่าท่านใช้คําว่าบ่วงของมารเนี่ยเยแต่ว่าไอ้กิเลสมานเนี่ยมันลากคอพวกเราอยู่ไหมเนี่ยลากไหมลากให้ทุลุ่ยทุ ก, กังไหมลากคอไห ม, ต ร, ไหมตรงเนี่ยลากนีนตรงเนื้อสยันตรง เอาอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยถามว่านั<อ>่นแหละนั่งนั้นเห็นเลยถ้าอย่างนี้เห็นเลยเนี่ยมันมันทั้งลากทั้งให้เราทุลุทุ ก, กังในการอะไรหรือเ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเย่นกิเลสมารเนี่ยใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นโลภะเนี่ยไอความยินดีพอใจเนี่ยเอาแล้วถ้ามันพอใจอะไรนะมันลากขันเราไปแล้วลากไปหมดเลยนะทั้งทั้งที่หนักแสนหนักเนี่ยมันพ ย, ยุงให้ลุกไปให้เดินไป ทำอะไรก็ได้ เ, เพื่อให้สมใจมันเนี่ย น, ะนี่มารก็ลอ่อมันก็ลากเราไปลากไปเพื่ออะไรลากไปฆ่าลากไปให้ฆ่าเนี่ยเหมือนนั่งถามว่าเรานั่งเรียนเนี่ยนั่งเรียนรอใครนั่งเรียนเพื่อจะไปถูกฆ่ากั น, นไปถูกใครไปถูกมัจุมานฆ่ามันเป็นอย่างงี้นะถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ย เรียนไปเพื่อจะไปตายเนี่ยพูดทําไมเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยพูดไปเพื่อจะไปตายเนี่ยไปถึงเนี่ยนี่มานมันเล่นงานอย่างนี้ไอคนฟังก็ถูกมาจุมานเล่นใช่งไหมมันเป็นเรื่องจริงๆเราถูกถกูลูดถูกกังต้องพูดบ่อยๆแล้วมันจะได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอกเกเรตามาใช่ไหมบอกไอหลอถามไอความโกรธเนี่ยยกตัวอย่างนะว่าเอ๊ะทําไมใช่ไหม บอกมันต้องโกรธสิมันมีเหตุผลที่จะต้องโกรธนี่ยไอ้นี่มันไมนีน่กิเลสมารเล่นนะเนี่ยมันบอกไม่ได้เรื่องอย่างนี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มไมไดใช่ไหมมันต้องจําเป็นต้องโกรธจําเป็นต้องพยาบาทดูมารมาเล่นดิอย่างเหมือนกับโคนบอกว่าบอกไอ้โมหะนี่เป็นมัจจุมาลอย่างไงรู้ไหมบางคนมองไม่เห็นมันเป็นมัจจุมาในลักษณะไหนบอกว่า เไปศึกษาพระธรรมเนี่บอกเอ้ยจะต้องไปรู้ทําไมอยู่นั่นเนีอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้คาว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเนี่ยคือเป็นชื่อของโมหานั่นแหละโมหานี่เป็นมัจจุมานมันก็ลากถูกบอกว่าบอกเอ้ยไม่จําเป็นต้องรู้หรอกวะไม่เห็นจําเป็นต้องเรียนพระธรรมมากเลยเนี่ยเห็นไหมดูดูมันดีมันเล่นงานเนาะมันลากเราไว้อย่างนั้นเ่ยดึงเราไว้อย่างนั้นเลยลากไว้เพื่อรออะไร ล, ละรอให้เขาประหาร รอยเขาประหารนี่มันเป็นอย่างนี้เริ่มเห็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละนี่ะนี่เป็นมานเนี่ยทีนี้ก็ถึงบอกไงยินดีไงยินดีใช่ไหมบางคนเนี่ยท่านชยันของของสังเกตถึงบางคนขาก็ขาดใช่ไหม เหลือแต่แขนก็พยุงตัวเองไปคอยขายลอตเตอรีบ่บังอะไรบงังใครพาไปลนะกิเลสสมานมันลากไปเนะขนาดขาขาดมันยังไม่ให้อยู่มันต้องลากไปบังไปเอาซิมันต้องไปทําตามตามกูบอกนะอะไรอย่างเนี้ยนี่กิเลสสมานกับพันคอดึงลากไปขนาดขาขาดแล้วเนะี่ยบางกลุ่มไม่อย่างนั้นนาะแขนก็ขาดมือด้วยแขนกุดเนี่ยเนะ่ยยังกระเสือกกระสนอยากมีชีวิตเนี่ยเนะ บอกเอากระเสือกกระสนไปที่นี่คือมารเนี่ยนะมันก็รากถูลูทุกกลางไปอย่างเงี้ยใช่ไหม ก, ก, ก็ใช่แล้วก็เห็นก็เห็นกันอยู่นี่ยังไงคือมารมันเล่นงานทีนี้ในกลุ่มเนี้ยถามอย่างพวกเราเนี่ยเจริญกุศลถามว่าถามว่าตั้งเจตนายัางไงดีไหมถ้าตั้งเจตนาที่จะพ้นอย่างมาร ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาในการที่จะไปฆ่ามันไปฆ่ามันจะไปฆ่ามันนั่นเองเนี่ยแต่แต่จริงๆนะถ้าไปฆ่าได้จริงๆเนี่ยมันจะฆ่าอะไรได้รู้ไหมฆ่าเทวปุตตมารฆ่าไอ้ฆ่ากิเลสมารฆ่าอภิสังขารมารและในที่สุดจริงๆอ่ะก็ถูกไอ้ที่ฆ่าไม่ได้คือมัจจุมานมัจจุมานมันเล่นเลย มัจจุมาลฆ่าใครฆ่าพระโมคคัลลานาะภาษาลิบุตรมัจจุมานเล่นงานพระพุทธเจ้าได้แต่นอกนั้นเล่นงานร พ, พระองค์ไม่ได้เพราะยังมีขันอยู่มีขันอยู่มันตามเก็บเกลี้ยงเนี่ยมัจจุมานเนี่ยถ้าตราบใดมีขันอยู่เนี่ยเห็นไหมนั่นมันมันฆ่าเกลี้ยงหมดแล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกมีอะไรเสรดอะไรมันเหลือมันฆ่าเสด็หมดเลยมัจจุมานเนี่ย มันอย่างนี้เขาเรียกวมันผลิตผลของกรรมไงของของอภิสังขารมาน่หอภิสังขารลมานสร้างมาสร้างมามันฆ่าเลยมันยูมานฆ่าพวกเราที่มาเจริญกุศลนี่ก็ถูกมันเล่นงานมาเ่เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่ามัจจุ บางคนงคนะบางคนก็บอกว่าเมื่อฟังธรรมที่อาจารย์บรรยายก็าบอโอ้ฟังฟังแล้วก็ได้ความสบายใจว่าอาจารย์สะเทือนใจเลยนยสะเทือนใจโอ้ชีวิตของเราดีใช่ไหมบอกพูดเพียงแค่ให้เขาสบายใจอะนันจะไปต่างเลยตลกใช่ไหมไอ้ตลกมันก็พูดในคนมันไม่ต่างอะไรกันเลยนะมันไม่ใช่การฟังธรรมมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่ฟังแค่ตัว ใช่ไหมจริงไหมไม่ใช่ฟังเพื่อให้สบายใจมันจะต่างอะไรกค่ตลกโลอาจารย์ไม่ได้เป็นแค่อย่างนั้นเข้าใจไหมตอนนี้ได้อาวุธมาเล็กเหน่อยบางคนเออวันนี้อาจารย์พูดไม่ค่อยดีและไม่ค่อยสบายใจอะไรอะไรตายเราบอกเออมีมีหน้าที่คอยมาพูดให้โยมสบายใจกันนะแล้วถามแล้วมัน มันจะต่างอะไรจะตล ก, กับชีวิตของเรามันสลดใจตัวเองไงรู้ปะสลดสังเวทใจตัวเองโอ้เราเนี่ยได้เพียงแค่คนสบายใจไอ้สบายใจมันเป็นบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คำว่าสบายใจเนี่ยใช่ไมเป็นโลภะก็ได้ในะสบายใจปิติมันมีในนั้นเนี่ย ถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงโดยวัตถุประสงค์จริงๆนะพอ่อ่ามันต้องรีบเร่งโดยสัมปายมันไมเป็นเรื่องที่ลิงจะต้องหยุดอยู่เพราะเราถูกมารเล่นงานกันตลอดเวลาใช่ไหมมันลากเราถูลูถูกกางกันอยู่เราก็ยังนอนนี่มันลากกันอยู่เนี่แหละนอนรอก็รอมัจุมานเดินไปก็เดินไปหามัจุมานจะกินอาหารก็กินเพื่อจะเลี้ยงมัจุมานอะไรเมื่ก็อยู่อย่างเนี้ย ทำตามมัจจุมานเออเออทำทำตามกิเลสสมานบ้างทำตามที่ขันธมานแล้วถามมันเป็นทุกข์ขนาดมันฆ่าขนาดไหนก็ลองดูใครเคยปวดหัวไหมเคยเคยปวดกระดูกปวดฟันไหมหนูดูมัจจุเออดูดูไอขันธมานมันเล่นดิเนโอ้มันเล่นตลอดมีกระดูกปวดกระดูกมีขาปวดขามีแขนปวดแขนมีฟันปวดฟันมีตาปวดตายังอยู่เนะมันเล่นไงในที่สุดจริงๆริงะมันเล่น มันเป็นสภาพผู้ฆ่าจริงๆนะครับมารเนี่ยมา่ไหร่เนอะเราจะเห็นมันจริงๆอย่างนั้นแล้วก็ละมันได้สถทีจะได้ไม่ต้องเป็นภาระในการที่ดูแลผลิตผลของมารเนี่ยนะมองออกไว้เนี่ยคิดให้ได้เนี่ยอต่อไปดูคตินิมิตแตตรงเนี้ยดูดูดยตราบใดยังมีมารอยู่ต้องเรียนพวกนี้นมีมคันธมถามารอยู่ต้องจัดการเรียนพวกนี้นะ ก็จะได้ไปฆ่ามมากรเงินได้ดีก็เรียกคตินิมิตเนี่ยหมายถึงคติทั้งห้านิริยคติติรชานคติเปติคติมนุสยคติเทวคติคติทั้งห้านี่ปรากฏในมรณาสันนาโชนะนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ชัดไหมจะมองเห็นชัดใช่ไหมไอ้คติทั้งห้านี่เลยมาปรากฏเนี่ย บางกลุ่มก็นิรยคติมาปรากฏบางกลุ่มก็ดิรฉานคติมาปรากฏบางกลุ่มก็เปติคติมาปรากฏบางกลุ่มก็มนุษยคติมาปรากฏบางกลุ่มก็เทวคติมาปรากฏเอาอะไรดีเนี่ยใกล้าตายอะไอโทษโทษของวัตตเนี่นะถามว่าเรื่องการเกิดแล้วไม่ดีอย่างยิ่ง มีบางสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคือพระก็ถามบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบอกเวลาขึ้นไปที่บนเขาคิชกูเนี่ยนะนะก็ถามบอกว่าเอ้ยไอเหวนะี่มันน่ากลัวจริงๆนะเะยเนอะพอไปอยู่นั้นสูงเนะี่ยมองมาสูงมาเป็นเหวบอกมีอะไรที่น่ากลัวมากกว่าเหวไหยพุทธเจ้าโหหัตตาเนะีนะ่เนอะบอกสังสารวัตรเนี่ยนะการที่ต้องตกไปในพวกคติทั้งหลายเนี่ย ในนิรยคติดิรฉ า, านนะคติเปติคติมนุสยาคติเทวคติเหล่านี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆมันลึกยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้นะในโล ก, กันติ ก, การนรกเนะี่ยถือว่าลึกที่สุดแล้วเนี่ยแต่วัตตะลึกกว่านั้ น, นยอยู่ในโล ก, กันตานรกอยู่ในนิรยคติเนี่ยยังมีโอกาสออกได้ไหมยังมีโอกาสออกได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอยู่ในคตวัตตะแล้วเนี่ยมันโอ้ยออกยาก หลงในคติเหล่านั้นแล้วออกอย่างยิงโมหะที่มันปิดแล้วนะบอกการไม่เห็นอริยสัจนี่โอ้ยมันมันมันโทษอย่างยิ่งนะการไม่เห็นอริยสัจนี่ like เป็นโทษอย่างยิ่งไม่รู้จะโทษยังไงนะเราจะนอนยิ้มนั่งยิ้มเดินยิ้มกันอยู่ก็ไม่รู้แต่การไม่เห็นนี่นการไม่รู้แจ้งอริยสัจนี่โอ้ยเป็นโทษมืดมิดมากเราก็เจอคตินิมิต่ปรากฏกันอยู่เรื่อยเวลาจะตายก็มาแล้ว เสนอหน้ามาแล้วไอ้ที่เคยทําไว้เคยชอบใจไว้เคยประทับใจไว้เคยทําทางกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมเขาไว้เป็นนิริยคติปรากฏไม่พบที่จะถึงเนี่ยมาปรากฏก็เกี่ยวกับแต่อุปรกรณ์ก็ดีหรือว่าเครื่องนิมิตหมายของชั้นนั้นแหะในภูมิภูมินั้นนั้นแหละมาปรากฏอาจจะเป็นไฟก็บางอาจจะเป็นลักษณะของ เห็นคนกําลังทรมานจับคนที่ทรมานเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเป็นนิมิตหมายในนิรยาคติบ้างในดื้อชานคติอันนี้ก็โอ้โหมองไปที่ไหนมืดมิดหมดเลยเนะี่ยวันก่อนยมบอกฝันบอกฝันว่าไงายมฝันบ่อยเลยเอะนะือเนี่ะถามฝันยังไงฝันเข้าไปเห็นในป่าลึกกว้างเนะี่ยมองไปที่ไหนแล้วไม่มีผู้คนเลย บอกเออถ้าเป็นคตินิมิตก็เป็นเรื่องน่ากลัวเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไปดีนะแบบนี้ออบอกอ๋อไม่ดีอีกเรว่างงั้นเ่ยดีอะไรแล้วดีหรือป่าดงเนี่ดีหรือนิมิตพวกเนี้ดีนี่คือสัตว์ดิลฉานนี่นิมิตของคตินิมิตของสัตว์ดิลฉานเขา มีคนไหมล่ะไม่มีใครเลก็กลุ่มย่างไงนะก็กลุ่มกระตุกกลับเข้ามานะก็ก็ให้ลักษณะสวนดอกไม้ในพวกผีเสื้อทั้งหลายเขาก็จะชอบนะพวก พวกนี้ต้องต้องดูเนะี่ยว่าจริงๆแล้วน่ากลัวไหมชีวิตเนะี่ยวัดวัดวัดตาหน้ากลัวไม่เนี่ยน่ากลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะตรงนั้นนะฮะเราจัดสรรไม่ได้เราเขายื่นให้เองเขาจะยื่นให้เองคติเรา คตวลาอย่างนั้นไม่รู้ใครจใรต่อนนี้ตอนนี้รู้สึกการห่วงคนอื่นเริ่มตัดทิ้งไปได้เยอะใช่ไหมเริ่มเยอะเลยนะแม้นขนาดแม้นขนาดบอกว่าห่วงพ่อห่วงแม่ไม่รู้ว่าเราจะช่วยตัวเองได้หรื อ, ปอเปล่าอะอย่า ง, งเงี้ยขนาดนั้นเลยนะครับก็อย่าไป อะไรมันมากก็เพียงแต่ว่าเราจะได้คติอะไรหรือเปรตเปรติิคติหรือเปล่าคติที่จะเป็นเปรตหรือเปล่ามนุษย์คติก็เหม่่ยค่อยโลง่ลงๆหน่อยแล้วมนุษย์พันไหนอ่ะใช่ไหมยังมนุษย์พันไหนอ่ะไม่ได้เลยถ้าในกลุ่มที่ไม่เคยทำปริญญาอะไรเลยเนี่ยนะไม่เคยตรึกไม่เคยพิจารณาในสิ่งแวดล้อมอะไรเลยเนี่ย แล้วบอกว่าตนเองจะได้สุขคตินะแมไม่รู้จะคิดยังไงยากมากมากเลยไม่ใช่ยากธรรมดามากๆมากๆเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยต้องใช้คำมากเยอะๆนะใจ้ปัญญาเข้าไว้มากๆขนาดนั้นนะนะพอในกลุ่มที่ตลองคิดดูอย่างนี้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงคิดอะไรเป็นส่วนมากดูตรงนั้นทำไม พยายามปารบพระธรรมอยู่เสมอเนี่ยพยายามดึงก็ต้องคิดอย่างนั้นดิถามว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาสะดวกสบายอะไรนะที่จะต้องมานั่งปารบพระธรรมกันเนี่ยต้องใช้ความเพียรไหมต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนต้องใช้ศรัทธาต้องมุ่งมั่นต้องทำจิตให้ดีนะถึงจะกราวพระธรรมได้ไอ้ตัวนี้นี่แหละจะเป็นกุศลอกุศลเจตนาเป็นผู้ กำหนดให้ก็จะเป็นตัวเหตุให้ปฏิสนธิในภพต่อไปได้นะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคตินิมิตโดยสรุปก็คือว่ากรรมาอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ก็จะปรากฏนะก็จะปรากฏนี่ในละักษณะอย่างนี้ก็ไปทําความเข้าใจอันนี้ในบางคัมภีร์ท่านแยกแยะออกมาอย่างนี้ก็จะก็ทําให้มองเห็นอะไรได้ค่อนข้างเยอะแยนะเนี่ยเยอ ตรงนี้ก็คงจะไม่ลุยเข้าไปในไปดูในรายละเอียดอะไรมากนะนีต่อไปกลับไปดูในเรื่องของมรณานุสติเออขอโทษทีมรนามรณาสันวิถีคือวิถีตายในมรณาสันวิถีท่านจัดเข้าไว้ก็คือว่าสี่ชนิดน่นนะที่จะเป็นเหตุถึงมรณาสันวิถีประเภทกิกรรมยังมีอยู่แต่ตายลงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอายุขยะมรณะ คือกำลังของกรรมนะ่ะมีอยู่กาลังของกรรมนะ่ะมีอยู่แต่ว่าคาว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นยังสามารถที่จะให้มีอยู่ใช่ไแต่ตายลงก็เรียกว่าอายุขยะมรณะเขาเรียกว่ามันหมดอายุเส้อก่อนใช่ัหมหมดอายุเส้อก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออในปัจจุบันเนี่ยนะอายุของมนุษย์เนี่ยมันเท่านี้เท่านี้ สมมติว่าห้าสิบปีงสมมตินะนะแต่กรรมนั้นน่ะมันยังมีอยู่มันส่งเลยนั่นแหละแต่มันไปหมดไขของคนนั้นแล้วก็ตายลงอย่างนี้เขาเรียกว่าอายุขยะมรณะหมดอายุอายุก็ยังมีอยู่แต่ตายลงเพราะกรรมอย่างนี้เขาเรียกกรรมมัคยมมรณะบางคนเน่ยนะอย่างยกตัวอย่างมาเกิดอายุในยุคเจ็ดสิบห้าที่ท่านกำหนดกันเนี่ยนะแต่มันจะถูกต้องหรือไม่ในยุคลักษณะอย่างนี้ แต่กรรมนั้นนะ่ะมันหมดลงก่อนอายุยังมีอยู่แต่ตายลงเพราะกรรมใช่ไหมตายลงเพราะกรรมไอ้ตัวกำลังกรรมที่ส่งผลมาในภพนี้กลับได้ตัวกรรมที่ส่งผลมาไม่ยาวมองเห็นใช่ไหมไอ้ตัวกรรมที่ตัวผลิตวิบากมาอย่างเช่นอะไรชิ้นเนี้ยนะอะไรชิ้นเนี้ยสมมติว่ า, าถ้าธรทมแบบว่าเอาใช้อย่างนี้เลยเนี่ยแต่จะอยู่ได้ประมาณ เจ็ปิปีพังแน่อะไหล่ชิ้นเนี้ใ่ไหมแต่จริงๆแล้วอะไรเป็นอะไหล่ที่ผลิตมาไม่ถึงเจ็ดสิบปีแท้ที่จริงบอกว่านี่อู้สามในเขาเขาในภายในเจ็ดสิบปีเขาจะใช้ใช้อะไหล่ชิ้นนี้ได้แต่คนทํามาบอกว่าทํามาไม่ค่อยดีใช่ไหมกําลังของการผลิตอะไหล่นั้นมันไม่ดีก็เลยอยู่ไม่ได้มันก็หมดก่อนอย่างนี้เขาเรียกอายุมีอยู่แต่กรรมอะ ใช่แค่นั้นเนองงั้นแน่นอนแน่นอนไอ้กรรมเนี่ยไอ้กรรมตัวส่งให้ตัวที่จะมาเป็นตรงนี้แต่ว่าต้องไปเป็นที่อื่นอื่นอันนั้นก็แล้วแต่แต่ปัญหาก็คือบอกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างยมโุรีเนี่ยนะนอย่างยอมอย่างยมโซลีเนี่ยบอกว่าตัวกรรมที่ให้มาเกิดในภพนี้เนี่ยให้มาแค่ห้าสิบปีแต่มาอยู่ในภพที่มีอายุเจ็ดสิบห้าปี ไอตัวกรรมที่ให้วิบากมาเนี่ยให้มาคิมันหมดกําลังลงเขาเรียก mm. ว่าอายุเนี่ยยังมีอยู่แต่กรรมมันหมดใช่ไหมขอบเขตอายุนั้นเหลืออยู่แต่กรรมมันหมดกําลังแค่นี้บอกไปไม่ไหวแล้วรับกรรมมาชรูปใหม่เถอะคุณเนะี่ยก็หมดไปอย่างนี้ลักษณะกรรมนี่เป็นมารไหมเป็นมารหรือไม่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอภิสังขารมรร นี่ก็พูดในลูกน้องมานอีกอย่างนี้มันเล่นไงนนใช่ไหมเขาเรียกว่าเวลาส่งผลมาแล้วมันก็ตามเก็บตามค่าก็แปลกดีเหมือนกันนะะอีกคนหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งค่าเป็นเบียดเบียนนะั่นแหละลักษณะการเบียดเบียนทนะําให้ตายทีนี้กําลังของกรรมและอายุนะ่ะหมดลงทั้งสองฝายพร้อมๆกันอย่างนี้เขาเรียกอุภยักษยมรณะอุภยักษยมรณะ เขาเรียกว่าอะไรนะกรรมก็หมดลงอายุก็หมดลงเฮ้ยบางอย่างมีจริงๆนะกรรมบางกรรมนี่ส่งผลเป๊ะเลยนะตรงเลยเช่นว่าในพบร้อยปีก็ให้ร้อยปีหมดเลยเนะ่อายุก็หมดกรรมก็หมดกําลังอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ก็เลยตายพร้อมๆกันเลยประเพณีแต่ก็แต่ก็หายากนะ การที่นั่งหลับตาแล้วลืมตากําหนดเขาไว้ว่าเที่ยงแล้วจะลืมตาแล้วมันเที่ยงเป๊ะพอดีเนะี่ยไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะมองเห็นนะนะไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ง่ายๆในะลักษณะกรรมประเภทนี้แต่มันมี้มีเยอะนะแต่ถ้าได้กรรมประเภทนี้ส่งผลก็แปลว่าไม่เลยไม่เลยอายุไขส่วนประเภทที่สี่เนี่ยเป็นกําลังกรรมแลรายุยังมีอยู่แต่ถูกกรรมที่มีกําลังแรงกว่าตัดชีวิตตินรียให้ขาดนะ อย่างนี้เขาเรียกอุปเชทะกะมรณะอุปเชทะกะมรณะเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตก็ยังอยู่กรรมก็ยังมีอยู่เหมือนอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยนะถนะูกตัดขาดไปซะอย่างนั้นเือถ้าโดนอย่างนี้ไปก็เรียกมันก็ล้วนให้เกิดมรณาสันนวิถีทั้งสี่ชนิดนี้หมดเลยนั้นลักษณะของการตายเนี่ยนะนะก็ดูตรงนี้เป็นประมาณ ทีนี้การตายทั้งสี่อย่างในปรมตัตถีปุีท่านบอกว่าในขณะเวลาใกล้จะตายนั้นน่ก็เรียกว่ามรณาสัญญการอารมณ์สามอย่างคือใจกรรมอารมณ์กรรมนิพิตอารมณ์หรือคติมีมิตรอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรากฏใช่ไหมทีนี้ในบรรดากรรมมากที่มีอยู่ในสันดานของตนของตนทุกภพเนี่ยเมื่อจะให้ผลก็ปรากฏกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมขึ้นในขณนะนั้น จะปรากฏขึ้นมาเลยนะทีนี้ในขณะที่ปรากฏนะนะบรรดาอารมณ์ของกรรมที่เป็นไปในการทั้งสามเนี่ยนะอารมณ์ที่เป็นอดีตมาปรากฏทางมโนทวารเรียกว่าอะไ ร, เ ป, ร, ร, รไไเป็นกรรมมารมได้ไหมเป็นกรรมมนิมิตได้ไหมถ้าเป็นกรรมมนิมิตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอารมณ์ของกรรมนะอย่างเช่นว่าปัจใจที่ถวายพระเนี่ยนะนะบุคคลที่ ลักษณะอารมณ์ต่างๆที่เราได้เคยทําบุญให้ทานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย น, นะคำนิมิตนว่าโดยการเอารมณ์หกออมาปรากฏเฉพาะหน้าได้ใช่ไหมทีเนี้ยการมาปรากฏนั้นเน่ยบางแห่งท่านบอกว่าทําทางปัญจทวารจริงแต่เวลามาปรากฏมาปรากฏทางมโนทวานนะถอยปรากฏทางปัญจทวารไม่ได้ว่างไง บางบางบางแห่ ง, งท่านบอกการการเห็นเป็นคตินิมิตก็เป็นไปตามสมควรแก่กรรมเหมือนกันเช่นว่าถ้าเห็นเทพพ ย, ายดาใช่ไหมอย่างนี้เป็นคติไหมเป็นคตินิมิตฝ่ายดีใช่ไหมเห็นเห็นเห็นวิมานไีไยใช่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่หรือเห็นวิมานด้วยมีอุทยานอยู่ด้วยอะไรมีผู้คนด้วย ดูดีๆนะโยมสรีวิมานจริงห <c oughs> รือมันไล่กลางสว น, <c oughs> น อ, อ, น อ, อะไรดูอ๋างงา อ, อไม่ไม่ยากเลยถ้าการรมมณีมิตรเนี่ยมันเกี่ยว ก, กับการกระทาในภพนี้ถ้าคติมันหมายถึงว่าภพที่เราจะไป เ, า เ, เอา <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นว่าบางทีมันไม่ใช่เคยเห็นในปัจจุบันนี้ใช่ไม่ใช่คือถ้าคตินิมิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของพบพบนั้นเลยยืน่นยื่นวัตถุชิ้นนั้นในพบนั้นมาให้ดูเลยยื่นอุปกรณ์ในพบนั้นมาให้ดูในทํานองอย่างนั้นนะครบบางคนไม่รู้เลยเนี่ยอย่าไปลืมนะว่าไม่เคยรู้อะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคนที่บอกว่าฝันเนี่ยนะ บอกโอ้ไปเห็นเมืองเมืองหนึ่งสวยงามมากเป็นทองคําหมดเลยลเขาเห็นที่ไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าในอดีตเคยเห็นมาเห็นมาแล้วอารมณ์เพศเนี่ยเห็นมาแล้วคตินิมิตพวกนี้เห็นมาหมดแล้วอ๋อใช่ไหมเพราะทำกรรมที่สอดคล้องกับการที่จะไปได้ตรงนั้นและทํากรรมสอดคล้องกับพบที่เคยไปอยู่มาประเภทที่กลับบ้านเก่าก็บ้านเก่าที่ยังไม่ไม่อยากจะไปมีหลายพบเหมือนกัน น, นั่นเอางี้ ถ้าจะให้ไปเกิดในอินเดียทุกวันนี้ไปไหมเนี่ยไปไหมอ๋อจถามว่าแล้วเราจะหลีกเล่นกรรมได้ไหมนะแมีคติที่จะต้องไปโอ้โหโอุโหโอ้ยทร ม, มานจริงๆนะใช่ไมลองคิดดูที่ว่าเราจะลาบากขนาดไหนถ้าไปเกิดในพบในภูมิอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไปเกิดในในภบในภูมิหรือไปอยู่เช่นนั้นน่ะ พื้นแผ่นดินตรงนั้นที่เราจะต้องไปลื้อหรือจะต้องไปพลิกพื้นแผ่นดินตรงนั้นนะนีเกิดติดอยู่ใชาที่เขต้องให้กระดดตายตามสามีเพสามีตายคนนี้ตายงัการเห็นเป็นคตินิมิตเป็นไปตามควรแก่กรรมคือเป็นกุศลกรรมหรือ อ, อกุศลกรรมเป็น เ, เป็นกุศลกรรมมากุศลกฎเ น, น, นะเป็นปัจจุบันอารมณ์ปรากฏได้ในทวารทั้งหก อย่างยกตัวอย่างเช่นอัตกถาท่านแสดงนิมิตของปัจจุบันรูปารมณ์เนี่ยส่วนทวารปรากฏได้เฉพาะมโนทวาร น, น่นะหลักฐานก็คือว่ารถ6คันเนี่ ย, ยจากเทวภูมิทั้งหกเนี่ยมาเทียบสำนักของตนอันนี้คือธรรมิกาอุบาสกนะก็รถที่จากเทียบทิดานั้นเป็นอารมณ์และพิจารณาอะไรและอีกคนอีกท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าทุตคามนียภัยเห็นคตินิมิต ด, ดุจกรรมนิมิตนะนะ ฉะนั้นก็รับอารมณ์6ที่เป็นปัจจุบันและอดีตมาปรากฏในทวารทั้งหกเพราะฉะนั้นสภาวะของกรรมนิมิตหรือคตินิมิตเนี่ยจึงคล้ายกันดังที่ได้กล่าวจึงคล้ายกันกรรมนิมิตและคตินิมิตเป็นทั้งอดีตการและปัจจุบันการทวารทั้งหกรับเอามาเป็นอารมณ์ได้ส่วนกรรมเป็นอดีตยอย่างเดียวตามในที่ท่านได้แสดงมาแล้วเนี่ทีนี้เกี่ยวกัเรื่องของทางปัญจทวารมรณาสันวิถี ในปัญจาทวารมรณาสันนวิถีอ่ะไปดูนีเดียวมีอะไรบ้างอ่ะมรณาสันนะจากขูทวารวิถีมรณาสันนะโสตทวารวิถีมรณาสันนะคาณทวารวิถีมรณาสันนะชิวหาทวารวิถีแล้วก็มรณาสันนะกายทวารวิถีห้าวิถีไหมห้าวิถีนะยในวิถีหนึ่งหนึ่งที่ท่านเขียนก็ไว้เนี่ยลงเนี่ยในหน้าที่สามสิบแปดเนี่ย ท่าจัดไว้สประเภทประเภทที่ทางปัญจทวารเนี่ยนะมรณาสันนวิถีที่มีตทา ร, รมภะวังแล้วก็จุติใช่ไหมตทาจุติแล้วก็ตถาภะวังแล้วก็จุติเนี่ยนะดูตรงนั้นจริงๆมีสองวิถีอะถ้าถ้านับอย่างนั้นปัญจทวารถ้าหากอติมหันตารม์นี่ดูนะอติมหันตารม์ มรณาสันนวิถีก็แยกเป็นตถาภวังจุติตถาจุติใช่ไหมส่วนถ้าพัญจัทวามหันตารมมรณาสันนวิถีก็ต้องเป็นยังไงอ่ะเออทมหันตารมวิถีนี่เออถ้าตีมหันตารมวิถีถ้ามหันตารมวิ ถ, มมวถมมวีมีชาวนาเนอะชาวนาภวังจุติแล้วก็ชาวนาจุติอันนั้นเป็นมหันตารมวิถีไปเออก็ดูเนะ อันนี้เขาเขาเอาอะไเอาติมหันตารมทั้งหมดเลยนี่จริงๆต้องเอามหันตารม์มาด้วยนะ อ, อ็เอาเฉพาะติมหันตารม์จริงๆโดยหลักการจริงๆมหันตารมก็มีนะเอเอมหันตารม์ก็มีไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอดูภาพอติมหันตารมวิถีที่เป็นตถาตถาที่เป็นตถาจุติแล้วก็ตถาผ ว, วังจุติเลยนะอ่าอติตัพ ว, วัง ภตวังอตีแต่ผวังผวังก็เจรณาผวังคูปเฉทาปัญจทวารวชนะแล้วก็จักคูวิญญาณโสตวิญญาณานวิญญาณชิวหังญาณกายยวิญญาณนะบนทวิปัญญาวิญาณดสิัมปติชนะจิด2สันติรณจิต3วอดทัณะหนึ่งกามชานะยอากุศละจิต12บงมหากุศลจิต8นั่นเองแล้วก็ตาทารัมพณะจิต11 นะแล้วก็ลงผวังสิบตามวิถีตามจุดของเขาแล้วพอผวังเกิดหนึ่งขณะจุติจิตจเกิดเลยนี่จุติจิตเกิดเลยนะนะีแล้วก็ปฏิสนธิต่ออย่างนี้ประเภทอะไรประเภทจุติกรรม อ, อุเบขาสันตีรณนะจิตสองมายบาก8จุติปฏิสนธิได้10บเท่ากันนะประเภทนี้นะกลุ่มประเภทนี้ ประเภทที่จุดตีสิบปฏิสนธิต่อก็สิบประเภทนี้ทำไมยอย่างนั้นล่ะภาพวิถีนี้เป็นภาพของจุดติทางปัญญะต่อจากปฏิสนธิในพบใหม่ผวังที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเกิดเต็มมากที่สุดเท่าไหรนะ่เนี่ยมากที่สุดถ้าถ้าผวังที่เกิดต่อจากปฏิสนธินะถ้าเกิดต่อก็ใส่ไปตั้งสนะิบหกเน่ยใช่ว่า ต่อจากนั้นก็เกิดพวังกั<ม>จจัณนาพะพวังคุปเฉตธาเป็นต้นไปไนไนอ๋อสมมุติอาจารย์พูดเลยไปไอ๋อดูสามสิบแปดนีน่แหละแต่นี้พูดให้ฟังว่าจริงๆในที่นี้เป็นมรณาสันวิถีใช่ไหมถ้าอย่างนี้จะรับอารมณ์ประเภทไหนเป็นกรรมะมอารมณ์หรือกรร ม, มานิมิตหรือคตินิมิต เฮ้ยการมาลงไม่ได้นะ อ, อ, อ, อ่ามีทางปัญจาทางปัญจาชาวนะมีกี่ขณะดห้าขณะนะในปัญจทวารมรณสันนวิถีเนี่ยนะกามกากุศลอกุศลชาวนะยี่สิบดวงเนี่ยที่เกิดได้ถ้าจะไปเกิดในสุขติชาวนาจะเป็นอะไรถ้าจะไปเกิดในสุขติภูมิชาวนาในตรงนั้นต้องเป็นหมหากุศลแปดดวงใดดวงหนึ่งอ่ะนะมาทํา ชาวนะห้าขนาดถ้าจะไปเกิดในทุกติภูมิอก็อกุศลจิตสิบสองก็มาทํำชาวนะห้าขนาดจิตนะเพราะเหตุที่หาทายรถุนั้นนะ่ะที่อาศัยนั้นนะมีกําลังอ่อนเต็มทีชาวนะจึงไม่สามารถที่จะเกิดได้ถึงเจ็ดขนาดได้จึงเกิดได้เพียงห้าขนาดเท่านั้นส่วนวิบากจิตที่ในมรณาสันวิถีมีแล้วอ่ะ จากครูวิญญาณนี่ยเป็นวิบากจิตไหมเป็นวิบากจิตนะจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยกวิญญาณคือทวีปัญญาวิญญาณนั้นจิสิบนี่วิบากจิตสัมปติชนะสันติรณวิบากจิตไหมวิบากจิตแล้วก็ตาธารมนาจิสิบเอ็ดด้วยนะอันนั้นก็ไปพิจารณาว่าเกิดมาจากอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนากับอารมณ์ที่น่าปรารถนาตามสมควรนะ วัตถุที่อาศัยเกิดของจากขูวิญญาณก็คือจากขูภาษาทรูปนะเกิดที่อุปาทัศนาของจุดติจิต ด, ดวงที่สิบเจดนับย้อนจากจุดติจิตขึ้นไปในบรรนาสนวิถีถ้าจะนับย้อนไปนับไปเลยนะตัวหัเทยะวัตถุนั่นเลยเกิดที่อุปาทัศนาของจิต ด, ดวงที่สนะิบเจะครั้งสุดท้ายนะนับย้อนไปเลยบอกจุติจิตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะนับกน็นับย้อนไปให้ได้สิบเจ็ดวง เออสิบเจดวงข้างหน้าที่อุปาทัศณาของจิตดวงที่17นั่นแหละคืออะไรเกิดอะไรเกิดหัตถยะวัตถุรูปหรือกรรมชรูปเกิดครั้งสุดท้ายเนียไม่มีการพิจารณาถึงมันทายุกะมัชิมายุกะและมันทายุกะส่วนจิตที่เหลือนอกจากจากจากุญญาณในวิถีนี้ก็อาศัยลาย อ, อาศัยหัตถวัตถุรูปที่เกิดที่อุปาทัศณาของจิตดวงที่17็ที่นับย้อนไปจากจิตขึ้นไปดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ย กรมมชรูปดับดับตรงไหนกรมมชรูปดับพร้อมกันกับจุติจิตกรมมชรูปที่ดับพร้อมกับจุติจิตแล้วก็กรมมชรูปที่เกิดขึ้นที่อุปาถ้าขนาดของจิตดวงที่สิบเจ็ดนั้นนะ่ะถ้านับย้อนขึ้นไปเนี่ยต่อจากนั้นก็ไม่มีกรมมชรูปเกิดใหม่อีกเลยมองเห็นไหมเนี่ยคืออย่างนี้ในอืตรงนี้ก็จุติจิตนี่หนึ่งดวงแล้วนะ ก็นับไปตามลําดับที่เขียนไว้นี่กี่ดวงนี่ทั้งหมดเนี่ยกี่ดวงนับแต่จุดเจ็ดขึ้นไปเนี่ยไปจนถึงผวังธรรมดานั้ยน่ะเท่าไหร่เท่าสิบเจ็ดไหมครบสิบเจ็ดไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเลยสิบเจ็ดพอดีใช่ไหมถ้าสิบเจ็ดพอดีเนี่ยก ร, ร ม, มชรูปที่เกิดที่อุปาทขณะของผวังอะนั่นแหละก ร, ร ม, มชรูปเกิดครั้งสุดท้ายตรงนั้นนั่นแหละ การมชรูปในกลุ่มของหัทแยววัตถุเนะหัทแยะวัตถุที่เป็นที่อาศัยให้กับพวกจิตหลังๆต่อมาเนี่ยเว้นอะไรเว้นปัญจวิญญาณใช่ไหมทวีปัญจวิญญาณเขาอาศัยวัตถุของเขาเช่นจกักขุวิญญาณในจิตสองก็อาศัยจกักขุวัตถุเกิด โสตวิญญาณในจิต2ก็อาศัยโสตวัตถุเกิดคานวิญญาณในจิตส อ, อาศัยคานาวัตถุชิวหาวิญญาณในจิตส อ, อาศัยชิวหาวัตถุกายยวิญญาณในจิตสก็อาศัย ก, กายยวัตถุเกิดเนืส่วนปัญจาทวารวัชนะอันนี้อาศัยหาทเยาวัตถุเกิดสัมปฏิชนะสันติรนาวัฏทัปนาชวนะห้าขณะตถารรมนาสองขณะแม้จุติจิตก็ยังอาศัยหาทเยาวัตถุเกิดอยู่นั่นแหละเห็นไหม อาศัยหาทยาวัตถุกเกิดเนี่ยแต่แปลว่าหาทิยวัตถุที่เกิดครั้งสุดท้ายที่อยู่ปาทัศณาของพระวังดวงเนี้ยตรงแรกเนี่ยเกิดครั้งสุดท้ายนอกนั้นไม่มีกรร ม, มชรูวเกิดอะไรเลยนะเนี่ยพอมาตั้งแต่อพระวังที่ถีติขนาดของพระวังเป็นต้นมาเนี่ยนะถีติขนาดของพระวังจนถึง อตีแต่พระวังพระวังกัจจันทรพระวังคู่ประเฉดท่ปัญจทวารวัชชะนาปัญ จ, ญจวิญญาณสัมปติสันติโวธรมนัชาวนาหขนาดตถารำนาสองขณะจนถึงจุติจิตทจะไม่มีกรรมไม่ช่รูปเกิดเลยมีแต่ขนาดตั้งอยู่และดับไปหากยาวัตถุ ก, ก็เกิดครั้งสุดท้ายที่ตรงนี้ที่จะเป็นที่อาศัยให้กับในวิถีนี้เป็นต้นนั้นในกลุ่มกลุ่มนั้นนจริงๆกลุ่มที่ยังเกิดอยู่ก็มีที่กําลังเกิดใหม่ก็มีในในสุวจริงเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเขาจึงบอกว่าอะไร อาถยาวัฏถุมีกําลังอ่อนมากทําไมจึงเรียกว่าอ่อนเพราะไม่มีกรรมชรื้อโเกิดเสริมขึ้นเลยมีแต่ตั้งอยู่กับหมดไปถ่ายเดียวหมดไปถ่ายเดียวเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็อ่อนกําลังลงเขาเรียกงั้นกรรมชร้อโอ่อนกําลังลงเชา่านาจึงไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้เจ็ดขณะมองเห็นไม้มตอเนี้เน้นพริรยยศเข้าใจคํานี้ไหม ดตตั้งแ่่ชาาวนดูในปัญจารูปวิถีในปัญจทวามรณาสนาวิถีนะเกิดนะยดูตรงนี้ประกอบในช่องกรรมมชราบในหน้าร้อยแปดสินี่หลักสูตรเนี่ยเนี่ยตัวกรรมมชราบกราบเนี่ยในอตีตะพวังในที่เขียนเขาไว้ตีข้างหน้าเนี่ยหมายถึงอตีตะพวังที่เขียนบนกระดานนั้นด้วยที่อุปาทัศนาของอตีตะพวังใช่ไหมกรรมมรูป กรรมชกราบจริงๆมันมีอยู่408กระลาบใช่ไม้มใน408กราบในอุปาทขณะของอตีตพวังนั้นน่ยแต่พอมาถึงถีติขณาของอุปาทของอตีตพวังเนี่ยนะืกรรมมชกราบเหลือ400หายไป8หายไป8ก็ไปตามไปดูว่าไอ้หาย8นั้นมันอะไรหาย8นั้นอะไรเหมาะไหมอะไรหายไป พอมาอยู่ที่พังคักขนาดของอตีแต่พระวังเหลือร้อยเก้าสิบสองหายไปอีกเท่าไหร่หายไปเท่าไหร่หายไปอีกแปดพออุปาทขนาดของอุอพระวังขจารณะก็เหลือสามร้อยแปดสิบสี่หายไปเท่าไหร่แปดอีกเหมือนกันใช่ไหม<อ>มันทยอยดับไปทีละกราบกราบไปลักษณะอย่างนั้นเนีย่ยเห็นไหมทยอยดับไป นี่ถยอยดับไปอย่างนี้อายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าในกลุ่มของหทาทะยาทศกัณฐ์นี่มีอะไรบ้างอกราบที่มีจํานวนรูปสิบนี่มีอะไรบ้างอะมีอะไรบ้างอาวินิโพครูปแปดแล้วก็อะไรอีกชีวิตชีวิตตรูปหนึ่งแล้วก็หาทยะวัตถุรูปอีกหนึ่งใช่ไหกรรมชกราบ ไอ้กามใชกราบเนี่ยมันหายไปเป็นกราบกราบในลักษณะอย่างงี้แต่ในกลุ่มในลักษณะที่หายไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ให้สังเกตดูว่าก็ให้สังเกตดูว่าไอ้กราบที่มันหายไปเนี่ยนั่นหมายถึงมันหมดไปหมดไปให้สังเกตดูมันจะค่อยน้อยลงเรื่อยยมสรีงตามไปดูในพระวังกษัตรินาพระวังคุปเฉทาปัญจทวารราชชนะเริ่มน้อยลงเรื่อยนะเนี่ยมันก็ค่อยผ่อนลงเนี่ย ปัญจวิญญาณสัมปติจชนะสันติรนาวุฒิธรรมะเหลือสองกว่าแล้วพอถึงชาวนะดวงที่หนึ่งเหลือ216เหลือ200ยงนี้เป็นต้นแตชาวนะดวงที่สองดวงที่สมตามลําดับพอชาวนะดวงที่สชาวนะดวงที่ห้าเหลือร้อสแล้วพังคขณะของชาวนะดวงที่ห้าพออุปาทขณะของตถารัมหะเหลือเท่าไหร่เนีเหลือเกสห พอถีตแปดสิบแปดพังค่าขนาดเหลือแปดสิบพอตทารรมนาดวงที่สองเหลือเจ็ดสิบสองเหลือเก้าสิบเหลือ 60, หกสิบเหลือ 64, หกสิบสี่เหลือ 56, ห้าสิบหกเนื้อพังคาขนาดของตทาดวงสุดท้ายเปิดม่อีกหน้าหนึ่งเนี่ยนะ้ยพอมามาพ่วังใช่ไม้มหลังจากนั้นเย็นพ่าวังก่อนเออนี่ไม่ได้เขียนพ่าวเง้าไว้แล้วก็มาเนี่ยจุดติจิตเนี่ยนะ อุปาทขณะของจุติจิตกรร ม, มชรูปเหลือยี่สบสี่ทิฏิขณะของจุติจิตกรรมมชรูปเหลือสิบแปดหรือสิบหพังขขณะแปดรูปสุดท้ายที่เกิดที่อุปาทขณะนั่นแหละที่เกิดที่อุปาทขณะของของจิตดวงที่สิบเจ็ดที่นับย้อนขึ้นไปแล้วหมดครั้งสุดท้ายคือหมดตรงเนี้แปดรูปนะีกรรมมชรูปเนะีที่จริงตรงนี้ท่านนับบอกว่าเป็น ไปก ร, รมไชรูปแปดไปเลยนะท่านท่านไม่ได้นับเป็นกลาบอย่างนั้นนะเนือท่านนับไอ้กรรมไม่ชรูปที่มีแปดไปนั้นนะเข้าใจลักษณะบอกจากขูโสตะาคาหน้าชิวหากายยะรวมอย่างนั้นเลยโยมสุรีเป็นแปดพอดีใช่ไหมแปดเว้นอะไรเว้นพวกปริเชยท้าออกไปมั้งใช่ไห ม, มที่นับตามรูปเดิมเนี่ยนะเพราะกรรมไม่ช่รูปจริงๆทั้งหมดมีสิบปดใช่ไหมมีสิบแปดใช่ไหมเอา เอาไอ้เกนั้นออกแล้วก็เอาไอ้รู้สึกอะไรอีกรูปหนึ่งออกเดี๋ยวต้องไปอ่านในตารางแล้วก็จะบอกเอาไว้นะในกลุ่มของแ8ดแปดรูปเนี่ยไปดูในรายละเอียดอีกทีก็แล้วกันมันจะมีลักษณะเอออย่างนี้จากขูท่าสกกะระจากขูท่าศาสโตตากขะคานาท่าศาชิวหาท่สศากายะภาวะท่าศาสวัตถุท่าศาและชีวิตนะรวมเป็นแปดชนิดมองเอาไหมเออขั้นนัดเป็นแปดชนิดเออนี่นัเป็นแปดชนิดนะที่ว่าหลับเลที่เราแปดละแ8ดเนี่ย คือนับอย่างนี้จากาขูโศตากานะชิวหากายะแล้วก็อะไรภาวะหาทยะแล้วก็ชีวิตเนี่ยใช่แปดพอดีคือในบรรดากรรมชมูชปทั้งหมดเอามารวมแล้วก็นับเป็นที่จริงมันดับเยอะนะแต่เอามาจัดจัดรวมลักษณะอย่างนี้ไว้มองออกไหมใครมองออกไหมเนี่ยออกไม่ออก นะก็ให้พิจารณาในลักษณะอย่างนี้บอกว่าเมื่ออุปาเมื่อจุติจิตจะเกิดเนี่ยนับถอยหลังย้อนไปจากจุติจิตนะนับไปถึงจิตที่ดวงที่17นะที่อุปาท่ขาขณะของจิตดวงที่17ถ้าเราจะใส่เป็นอตัตีแต่พวังก็นับที่อตัตีแต่พวังแต่ต้องใส่พวังด้วยนะพะวังต่อจตุถาให้ได้ได้17ก็แล้วกันที่อุปาท่ขาขณะของอตีแต่พวังเนี่ยนะนะถ้าหากดูอีกวิธีหนึ่งก็จะเห็นชัดนะเนี ก็จะเห็นเลยเนี่ยว่าที่อุปาทัขณะของอตีตตาพวังนั่นแหละในขณะนั้นนั่นลมีสามขณะใช่ไหมอุปาทขาัขณะทีติขณะแล้วก็พังคักขณะในในวิถีที่สองจะเห็นชัดนะในในในเนี้ยถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่ากรรมมชกรลาบนั้นเน่กรรมมชกรลาแปดชนิดนั่นเองใช่มจักขู่ท่สักกระลาบ โซต่ท่าสักกะราบคานะท่าสักกะราบชิวหาท่าสักกะราบกายะท่าสักกราบภาวะท่าสกกราบหัตถยะท่าสักกราบแล้วก็ชีวิตนวา ก, กราบใช่ไหมในจานวนกราบทั้ง8ชนิดนี้เนี่ยเกิดที่อุปาทขณะของอตีตพวังเนี่ยหเกิดนไหเกิดครั้งสุดท้ายตรงนั้นนั่นแหละ ก็แปลว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีกรรมไมะชะกาลอื่นๆเกิดเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเป็นข้อบ่งบอกว่าท่านผู้นั้นน่จะวายชนแล้วก็แปลว่ามรณาสันนาชาวนาวิถีของท่านจะเกิดแน่นอนในวิถีต่อไปเนี่ยที่กําลังจะต่อจากอาตีแต่พระวังเป็นต้นไปเนี่ยก็แปลว่าท่านผู้นั้นน่ะแปลว่าถูกกาหนดมาแล้วพอถึงถีติขณะ น, นี้ไอ้กลุ่มกรรมไมะชะกาลที่เคยตั้งมาครบสิบเจ็ดขณะก็มาดับตรงเนี้ย มาดับตรงถีถ่ติดขนาดของอตีแต่พระวังนี่แหละดับไปสะกแปดชนิดเลยใช่ไหมทั้งจักขู่โซตาคาหน้าชิวหาการย่าหายทะยาภาวะแล้วก็ชีวิตตะดับไปนะหายไปแปดชนิดใช่ไหมไม่มีเกิดเพิ่มเลยเนะี่ยปกติจะต้องมีมาแทนที่ใช่ไหมดับแปดเพิ่มแปดดับแปดเพิ่มแปดไปเรื่อยๆแบบนี้ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ย กรรมไม่ชะกลาบดับเวลาใดกรรมไม่ชะกลาบลาก็เสริมขึ้นมาเลยเนะี่ยยกเวเ้นแต่ถ้าตาบอดปุ๊บก็เสริมไม่ครบ8ดชนิดอย่างเช่นวันสมณเนนพิรยุทธ์จะตาบอดไปกรรมไม่ชะกลาบในช่องของจักรกูท่าสั ก, กราบก็หายไปก็เหลือเจดชนิดเดียวมะอ่าถ้าหูหนวกไปอีก่ะเหลือหชนิดจมูกเสียหายอีกอะเหลือห้าชนิดอ่ะอย่างนี้ก็มีนะในกลุ่มแบบค่อยๆตายไปหลายทีละทางทวานทางทวานจนเหลือทาง ทวารใดทวารหนึ่งที่จะยังชีวิตให้อยู่ได้อย่างนั้นก็มีกรรมไม่ชรูปมันยังไม่หมดเนอะแต่กรรมมาลชรูปไม่ใช่จะนัดกันไปพร้อมกันทั้งหมดนะให้เข้าพึงเข้าใจเองนะสัตว์โลกทั้งหลายใช่ไหมบางทีเนะี่ยพวกจกักขูทศกักราบไปก่อนทั้งนั้นก็มีแต่ว่ายังเหลือกลาบอื่นอันนี้พูดถึงชนิดที่เต็มนะเอาชนิดที่ตายดีนะเนี่ยตายดีๆเลยนะชนิดที่กรรมมาลงพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะท้ายท้ายทศกัลลาบยังไม่ดับ หัยทยทะทศ ก, กราบยังไม่ยังไมไ ม, ไม่หมดยังไม่หมดทีนี้พอมาถึงทีติขณาเหลือ400เยอะ ห, หายไป8ไปเกิดเสริมไม่มีพังคัคคณาข้องตีตวังเหลือ392เห็หก็าหายไปอีก8หายทยอยหายไปเรื่อยๆเงี้ยหายแล้วไม่กลับเลยไม่มีอะไรเสริมขึ้นมาอีกเลยเนี่คยค่อยๆดับไปดับหมด ท, ท, ทุกทุกทุกทุกกราบอะดับไปตามลำดับเลยจนถึงพระวังกัจจานะ พังคักขนาดของพระวังก็จจานเหลือสามร้อยแปดหกสิบแดพระวังคูปป่ปเฉทปัญจทวารลัชนะปัญจวิญญาณสัมปติสันตีโวตทพนะชาวนะชาวนาชาว น, ชว น, ชวนตะตทารมนะสองขณะจนถึงพระวังที่เกิดต่อหนึ่งขณะเหลือเท่าไหร่ไปดูที่จากที่ยังหนานแน่นอยู่ด้วยการรมไม่ช่รมาเหลือสี่สิบแปดเหลือสี่สิบเหลือสาสิบสองนี่คือที่พังคักขนาของพระวังดวงที่ต่อจากตทารัมพนะ ต่อมาพรอจุติจิตอุปาทขนาดของจุติจิตเหลือยี่สิบสี่แล้วน้อยมากเห็นไหมชาวน่าที่เกิดนั้นน่ะก็เหลือน้อยอยู่แล้วไหมตรงชาวน่าเกิดน่ะเหลือเท่าไหร่ดูทออีร้อยกว่าโอ้ยเด่นชัดแล้วทใช่สิตรงนี้ใช่ไหมที่เราเปิดช่องใช่ใช่ตรงนี้เลยตอนนั้นอารมณ์เด่นชัดมากประทับมากนะ ไม่มีอรารมณ์อื่นแล้วเพราะอะไรรู้ไห ม, ไไมไหเพราะตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ต้องถือว่าอ่อนแอมากไหมตอนนั้น <c oughs> อ่อนแอมากไหมอ่อนแอมากไหมตอนนั้นน่อ่อนแอมากแล้วก็ประเภทที่อะไรลอยมาเกาะแล้วเกาะแล้ว <c oughs> คนจะจมน้ําตายเนี่ยนะ คนจะจมน้ำตายอยู่แล้วเนี่ยขี้ควายลอยมาเกาะไหมเกาะเกาะหมดเลยแต่ถ้าดีๆลอยมาก็เกาะอย่างเต็มใจมัน<อ> <c oughs> ไม่ทันไม่ทันเร็วรเร็วม นั่นแหละก็ยังจุดติเกิดแล้วก็ปฏิสนธิต่อไปก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็ก็ก็ตรึกพิจารณาอย่างนี้ไปก็จะได้ทำความเข้าใจให้ได้ว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เอถ้าหากว่าตรึกในลักษณะอย่างนี้บ่อยๆได้สังเวระคทมไหยตรึกพิจารณาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงเอาไปคิดบ่อยๆนะ ในบรรดากรมที่ยังไม่อยากตายทั้งหลายเนี่ยไปคิดไปวัยแล้วจะได้เห็นว่าจริงๆเป็นอย่างนี้ในะชีวิตที่กําลังหลงละเริงกันเนี่ยนะถ้าอย่างนี้จะเห็นชัดเนะดี่ยในอติมหันตารมวิถีเนี่ยนะในขณะที่กรรมมชรูปเกิดขึ้นมาแล้วกรรมมชรูปใหม่ไม่เกิดขึ้นใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นมรณาสันนวิถีจิตจึงมีกําลังไม่เหมือนกันกันกบที่เกิดในภวะติการณนะวิถีจิตเหล่าเนี้ยเนื่องจาก อาศัยวัตถุรูปที่เกิดขึ้นในอุปาทขณะของจิตดวงที่สิบเจ็ดที่นับย้อนจากจุติจิตขึ้นไปนะีซึ่งนับว่าเป็นรูปที่มีกําลังน้อยน้อยตามจิตนั่นเองเนะียเมื่อจุติจิตดับลงกรรมชรูปที่เกิดพร้อมกันกันกบกรรมทุกทุกขณะจิตนั้นนะก็เป็นอันว่าดับหมดไม่มีเหลือเหมือนกันในอติมหันตารมวิถีนี้อติมหันตารม์อติอติมหัน ตารูปอารมณ์เป็นต้นที่เป็นนิมิตก็จะดับลงพร้อมกันนะ่ยนะในลักษณะบางกลุ่มก็ดับลงพร้อมนะบางกลุ่มก็อาจจะเหลืออยู่สืบต่อไปในพบใหม่ก็มีหลังจากจุติ จ, จิตแล้วจึงไม่มีจึงไม่ได้อาศัยรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั้นนี้เป็นการวินิจฉัยมรณาสนาวิถีนะเออถ้าเราดูจากตรงนี้สมมุติว่าถ้าอารมณ์ปรากฏ แล้วอารมณ์ก็อายุมาหมดตรงนี้ก็อาจจะหมดตรงนี้ก็มีบางทีอารมณ์ของกรรมมาอารมณ์กรรมนิเมิตนั้นก็เหลืออยู่นะที่เหลืออยู่ที่ทําให้ปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยเป็นไปก็มีมองออกใช่ไหมตรงนั้นก็ต้องไปดูอีกทีแล้วไปทําความเข้าใจทีหลังจากแล้วนะ ก, ก็ให้สังเกตตรงนั้นอเน้นเน้นมองเห็นไหมพอจะเข้าใจบ้างคร่าว เอาแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจหมดแล้วเดี๋ยวจะสัมล้อมากขึ้น <c oughs> เอาเข้าใจขนาดนี้แหละ ย, ยังไงไม่มีกิจอื่นไม่ดือด้อบ้างอะไรบางก็ไม่ส่งไม่เล่นบางไม่หัวล้อบ้างเดี๋ยวชีวิตมันจะหัวล้ะไม่ได้เลยนะฮะหัวเราะอยู่นี่แล้วกรรมชะรุบจะหมดแล้ว <c oughs> ถ้ามีใครมาเตือนแล้วเขาเห็นกรรมชะลุปของเราเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่มันจะไม่เกิดต่ออีกเมื่ไอไหร่บางม้วหัวเราออยู่นั่นแหละกรรมมชะรุปของยังจะ ถึงวันที่เท่านั้นนะ่ยมันจะไม่เกิดแล้วนะมันจะทยอยดับดับดับแล้วเวลาเท่านั้นจะดับลงทันทีนะั้นร้องไห้เลยนะบอกเดี๋ยวขอแล้วขอหน่อยได้ไหมอะไรไม่ไบอกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะเสร็จเลยนี่พุทธชนนะถ้ารู้วันตายแล้วเสียหายนะักพุทธชนรู้วันตายเสียหายนะมองไหมอ่อย่างสมมุตินี่อย่างเราเราที่กําลังนั่งเรียนกันเป็นอย่างดีเนี่ยถ้าบอกว่าบอกเนี่ยยี่สิบวันข้างหน้าเนี่ยตายเนี่ย เตรียมตัวทันไหมเนี่ยมีใครเตรียมตัวทับนบ้างในยี่สิบวันเนี่ยใช่ไหมบอกไม่เตรียมตัวไม่ทันเนี่ยเอาไม่ทันก็บอกว่าก็เลื่อนให้อีกห้าวันเป็นยี่สิบห้าก็ไม่ได้ถถนถนนึงบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆครับตรึกไว้เถอะมรณาสนุการมรณาสนวิถีมรณาสนะ ใช่ไหมมรณานุสติเนี่ยตรึกก็ไว้พิจารณาก็ไว้มันจำเป็นไหมล่ะจำเป็นไหมถ้าบอกว่าไม่จำขนาดเตรียมตัวขนาดนี้ยังที่จะที่จะไม่พลาดยังยังน้อยเนะโอกาสพลาดก็สูงขนาดนี้เนะ คนที่นั่นจะต้องสำรวมระวังเป็นอย่างดีจิตตรึกพิจารณาตลอดทำปริญยารอบไม่กลัวต่อความตายอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับสถานการณ์เช่นนั้นจริงๆจิตหนักแน่นมุ่งมั่นนะถ้าในลักษณะอย่างนั้นโ อ, อไปได้ประเภทที่มุ่งมั่นเลยนวันหนึ่งวันหนึ่งตรึกในเรื่องของกรมมาคุณน้อยมากถึงจะตรึกในเรื่องของกามคุณก็มองเห็นโทษนะั่นเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลิน ในอัฏาะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าเข้าใจธรรมจักใช่ไหมก็ต้องสามารถมองคนอื่นด้วยข้อปฏิบัติได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเอ๊ถ้าเห็นสำเนนพริรยุทธ์เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วถามว่าเห็นแล้วเนี่ยการมาสุ ข, ขันลิกาโนโยคหรือเป็นอัตตะกีร่มถานุโยกหรือเป็นมชิมาปฏิปทาต้องแยกให้ออกเยอะเห็นแล้วยังไปยินดีพอใจไหมถ้ายินดีพอใจไปชอบ หรือทำให้เพลิดเพลินทำอัศสาทายเกิดนี้เป็นกามสุ ข, ขานิการุโยกแต่เห็นแล้วเครียดกังวลวิตกหรือว่าหงุดหงิดเงี่ยเป็นอัตตกิรามาฐานุโยกถ้าเห็นแล้วสติสัมปัญ ญ, ญาพิจารณาความเพียรเกิดขึ้นอย่างนี้มัชิมาปฏิปทาก็พอจะได้บางถ้ามันสามารถตรึกมองเห็นใครได้มันก็แยก ใช้ปฏิจจเออใช้ธรรมจักรกับวัฒตนสูตรมาพิจารณาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะดีแล้วท่านพุนนั้นแยกแยะออกแล้วแต่ถ้ายังมองและยังแยกแยะไม่ได้ติดบุคคลอย่างนี้เสียเลยเนื้ยได้ขนาดนั้นยังถ้าได้ขนาดนั้นถือว่าดีแล้วกลับไปมองลูกก็บอกเหมนเป็นอะไรเนี่ย บอกเป็นกรารมสุขาริกา ร, กากรานุโยกอัตตกิรามฐานุโยโกหรือมชิมาปฏิปทาเอาถ้าเป็นกรารมสุขาริการนโยคโญกควรไปดีหรือไปไม่ดีก็เอาไปอัตตกิรามฐานุโยคหงุดหงิดเนี่ยที่เขาทาไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนนะก็ลองไปตึกพิจารณาดูตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ต่างหากที่จะปูทางมรณาสันนวิถีได้ดีบ้างถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่รู้อย่างอื่นยังไง ต้องคิดต้องฝึกมองให้เป็นนะมองใครต่างๆคนผู้ใดอะไรต่างเนี่ยต้องฝึกในการที่จะคิดให้เป็นมชมาปฏิปทาให้ได้ก็ไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้ได้ดีนะไปดีไหมไปดีมากท่านผู้นั้นจะไปดีเพราะว่าต้องตรึกพิจารณาอย่างนี้จริงๆนะ